เพราะความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ร่มประโพธิญาในวันนี้ก็คงเป็นการพูดเรื่องศีลบา ร, รมีต่อไปก็กำลังพูดถึงปัจจัยที่กระตุ้นเตือนให้คนรักษาศีลหรือสมาทานศีลและที่เจ็ดใจนวดปัจจัยเหล่านี้บางทีมันเกิดขึ้นภายในใจเราเอง ก็เห็นความสำคัญเห็นความเหมาะความควรด้วยตัวของเราเองแล้วก็สมาทานศีลรักษาศีลออกไปตรงนี้เขาเรียกว่าอัตตาทิปตาเยศีนอีกแนวมึงเาเรียกว่าโลกาธิปตาเยสีนคือถืออาศัยสังคมอาศัยชาวโลกเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเห็นว่า เราอยู่ในโลกเราอยู่ในสังคมที่ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เนี่ยมันจะถูกสังคมขวังเกียดเกลือเข้าเขาไม่ได้เลยถูกตํางดีทีเที่ยนคราวนี้บุญดูตัวอย่างคนใช้ในครอบครัวของท่านอนาถบินติกาเศรษฐีคนหนึ่งเข้ามาทํางานใหม่แล้วไม่เข้าใจระบบกฎเกณฑ์ภายในครอบครัวของท่านอนาถบินติกาเศรษฐีซึ่งพอถึงวัน ทำมาสวนะคคือเดือนละสี่ครั้งเนี่ยทุกคนภายในบ้านเนี่ยรักษาศีลบทสุดหมดไม่มีใครกินข้าวเย็นแม้แต่เด็กเล็กๆ เ, เ, เนี่ยท่านก็ให้อมน้ำตาลกวด แ, วแสดงว่าน้ำตาลกวดได้มีมานานแล้วนะแต่คนใชยคนนี้ไม่รู้ตรวสอบถามปรากฏว่าเขาไปทำงานจะแล้ว พอตกฝนเย็นมาก็มีคนเจียมอาหารไว้ให้เขาจะเห็นว่ามันเงียบคือบ้านมันเงียบก็สอบถามว่าแล้วคนอื่นไม่รับประทานเลยเขาก็บอกว่าคนอื่นนั้นเขารักษาศีลอุโบสถถามว่าศีลอุโบสถเป็นยังไงเขาอธิบายออฝั่ง แกก็เกิดความคิดว่าเอเรามาอยู่ในครอบครัวที่เขารักษาศีลหมดเลยแล้วเราก็เป็นแกะดำอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ควรอ่ะแต่วปัญหามันหัวค่ำแล้ว่ะถ้ารักษาตรงนี้จะได้ไหมก็มสอบถามท่านอนาตบินติกาเศรษฐีท่านก็บอกว่าได้อันนี้สงฆ์มันได้สักกึ่นหนึ่งนะคะเพราะว่าเลยันเยอะแล้วท่านก็ตัดใจไม่กินข้าวเลยทั้งๆที่ทางานเหนื่อยมาแล้วที่หิว พอตึกดึกขึ้นมาก็ปวดหมดเกิดเป็นลมหิวโหยอย่างแรงเสียดแทงอย่างแรงก็ทางบ้านอนาธบิษนการเศรษฐีก็พยายามที่จะให้รับประทานอาหารแกถามคนดื่อรับประทานหรือเปล่าก็บอกว่าคนอื่นเขาไม่ป่วยเนี่ยคุณป่วยเขาต้องรับประทานแกก็บอกว่า ข้าพเจ้าเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยยังไม่เคยรักษาศีลเลยแล้วรักษาศีลจะได้ในสงส์สักกึ่งแล้วมาทําลายสิอีกเนี่ยไม่เอาอ่ะเคยตายเป็นตายเลยแล้ในที่สุดก็รักษาศีลจนตัวตายนะครด้วยจิตที่เป็นกุศลก็ทําให้บังเกิดเป็นรุกขเทวดาแล้วก็เกิดช่วยเหลือคนเป็นจํานวนมากให้รอดพ้นจากภัยอันตราย แล้วก็ปรากฏตัวอธิบายถึงความเป็นหมากของด้านในฟังก็น้ำคนเหล่านี้มาสู่ศาสนาในช่วงหลังเนี่ยนี่เราจะเห็นว่ามันก็มองสังคมอะตรงนี้ที่จริงจะมองอะไรมันก็ดีแต่นั้นเน่ยนะสมมติว่าเราเข้าไปในในวัดเออพูดง่ายๆเข้าไปในวัดอย่างเงี้ย๋ยวถ้าความคิดมันมีอยู่เนี่ย ไอ้คำว่าตรวจระวังรองเท้าหายหรือว่าขโมยของเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นน่ะแต่ว่าคนคิดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องคิดได้ ง, ง่ายง่ายเพราะเวลานี้แม้ในที่บําเพ็ญเพียรกรรมฐ า, านนะยอดโยมมีพวกเงินไปนั่งหลับตาอยู่เนี่ยเพื่อจะแอบขโมยเงินเลยมันอนเนจตนาถนะคือสรุปอนเนจ อ, อานาถมากเลย เราจะแก้ไขยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเทศการในงานวัดต่างๆสุดยอดของมนุษย์ก็คือล้วงกระเป๋าก ร, กระิดกระเป๋าลักขโมยปลอมของขายอะไรแต่ใดเนี่ยมันก็แปลกว่าในที่ที่คนทำบุญมากแต่มีคนทำบาปมากยจำก่อน ร, รูภาพอะไรที่วัดอะไรวัดพ่อโสธรนะ่ะจะาเชิงเสา อาตมาเคยไปหลายครั้งในววัดเนี่ยเข้าไม่ถึงเลยนะเราต้องยกมือไหว้กันไปข้างในไม่เคยเห็นองค์หลวงพ่เลยเอเข้าไปไม่ถึงมันดูเยือบมันเสียบรรยากาศก็มีคนหากินกับองพ่อนี่เยอะแยะไปหมดเลยอย่างนึกว่ามันก็เป็นเวรกรรมนะครับคืออยู่ในสังคมของผู้มีศีลแต่ว่ากลายเป็นผู้ทุศีล คนเหล่าเนี้ถ้าสํานึกเข้าไม่พัฒนาขึ้นมาพอเนี่ยมันมีปัญหาจะมีข่าวคราวบางทีนี่คนบวชมาระยะสั้นๆเ น, นะ่ยคือจากการสังเกตจะระยะสั้นแล้วก็ไปกระทําไม่เหมาะไม่ควรแล้วเมื่อสียจะเรื่องบางเรื่องมันนึกไม่ออกนะฮะว่าแก่ห่มจีวรแกโกนหัวแกไปทําอย่างนั้นได้ยังไง น, นึกไม่ออกเลย นั่นก็แสดงว่าคนพวกนี้ไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองไม่ได้เห็นความเมตตคือไม่ไม่ปรรบตนก็ไม่ขึ้นศีลก็ไม่เกิดเอามองโลกเองมองสังคมที่ตนเข้าไปสมาชิกอยู่ก็ช่วยเหลือไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นไม่ได้คนประเภทนี้ที่จริงถ้าไปถึงระดับธรรมะธปิปไตยแล้วก็ไปไม่รอดแล้วนะเดี๋ยคิดไม่ถึงอ่ะคนระดับที่ปรัรบธรรมะเนี่ยจะไม่ใส่ใจ คือถือว่าธรรมะเขาว่าอย่างไงธรรมะแสดงไว้อย่างไงก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นไปเด็นคุณค่าของศีลแต่พอดีก็มีเรื่องที่อยากจะบอกกล่าวให้โยมทราบก็แทรกไปหน่อยนะครับเมื่อวันที่สิบหกมกราคมตอนหัวค่ำคือไม่ถึงค่ำดีนะ มีพระได้โยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่ามาจากอาเภอลำปลายมาอมาก็ไม่เคยไปอะนะบอกว่ามีคนโทรศัพท์ไปอ่างท่านผู้หญิงบุนเรือนเลยจะยุ่งมันหมดเลยนะบอกว่าอาตมาจะสนับสนุนเงินค่าสร้างค่าสร้างในโรงเรียนนะฮะโรงเรียนเป็นตุเป็นตะนะแกมาลา บ, บอกโอ้โหตายเลย เวลาเนี้ยมีเหตุการณ์แต่นี้เยอะเหือเกินบางทีหลอกลวงขนาดพระจะต่างจังหวัดเนี่ยมาของเงินที่วัดก็วัดจะบริจาคเงินเท่านั้นทงนี้คือพระก็โลภโลกแบบงงๆนะมาได้ยังไงอย่างนึกไม่ออกมันกระดมมาได้ยังไงขี้เกียจจะตอบว่าแกพอยุคสมัยตอนนี้มันมีโทรศัพท์แล้วมันมีจดหมายที่จะเขียนสอบถามมาได้ เรื่องอย่างนี้เขาบอกอย่างเนี้ยมันมีข้อเท็จจริงเป็นยังไงทําไมมาเลยยกทีมันเลยนะมาโยมสี่คนพระสองลูกสงสารท่าก็สงสารสลดใจก็สลดใจว่าเอ๊ะทาไมคนไม่ได้หลอกต้มพระแล้วเคยมีที่วัดเนี่ยฮนะมีหลอกพระมาว่าสมเด็จรับสารให้เข้าเฝ้านะพระผู้ใหญ่ ท่านก็ไม่ได้สอบถานเหมือนกันก็มาถึงก็รีบมาลงที่หน้าวัดประโคมที่ว่าในส่ง่าไหมก็ถือปั๊บเดียวหายเลยย่ามก็หายห า, ยหายตัวก็ไม่เจอทางวัดนี่ไม่รู้เรื่องแน่นอนอยู่แล้วนะฮะนี่คืออะไรก็คือเราจะเห็นว่าคนเรามีไม่มีตัวกระตุน้นหรือตุ้นให้เกิดสีไม่ได้เลยตัวเองนั้นก็จบแล้ว สังคมโลกก็เจอตุนไม่ได้ธรรมานี่เลิกพูดเลยเพราะเรื่องการปริรกธรรมาทิปไต่เนี่ยเป็นเรื่องระเ บ, บิดระเมิยแล้วคนเหล่านี้จะรักษาศีลที่ค่อนข้างประณีตคือเ้าเรียกว่ามันเข้าขั้นอริยกันดศีลคือศีลที่พระรเจ้าเห็นแล้วก็ยกย่องชื่นชม เพราะว่ามันมีความประนีตในสิ่งที่ท่านรักษาแล้วก็ไม่สนใจนะไม่สนใจการยกย่องการชื่นชมด้วการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของคนทั้งหลายเพราะว่าเป็นคุณภาพของบุญกุศลที่ท่านต้องทำแล้วก็รับผิดชอบผลด้วยตัวท่านเองแต่ว่าตรงนี้ก็แสดงถึงว่าเหตุกระตุ้นในมันเกิดสีนะว่า มันจะมาจากตัวประรบหลักๆที่สี่เรื่องใหญ่ๆสามเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ทุกเรื่องมันจะมีอย่างเงี้ยแม้แต่การบริหารบ้านเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวอัตราที่ปไตยนั้นเราอย่าไปคิดเราคือประเด็จการเสมอไปพระเดวอัตราที่ประทายของสมเด็จพระพิยะมาราชเนี่ยของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จั ก, กรีของเราก่อนเปี่ยนแปลงกับปกครองนะก็ได้จริงก็แนวอัตราที่ประย แต่ว่ามันเป็นมองโลกแล้วก็มองธรรมด้วยมันมีธรรมาธิปไตยอยู่เบื้องหลังเพราะมีทศพิชัยจะทำอยู่เบื้องหลังเราลองดูที่ใครสร้างความเสียหายหเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเมืองไม่มีเลยนะมีแต่เสียสละพื่อชาติบ้านเมืองวาณาทิตธ์ปตยของก็ดีแต่ปัญหาว่าใครล่ะใครเป็นคนใช้ใช้ความเห็นของตัวเองเนี่ย ในแต่วความคิดของนักปร ญ, ญาเพโตเนี่ยท่านทั้งหลายที่บางคนอาจจะเคยอ่านอุตตมรัชนะฮะเขเรียกว่าพิลโซเฟอร์คิงคือประาชาร์ที่เป็นนักปรยาเพาะว่าที่จริงก็คือแนวเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิธรรมิก ร, ราชนั่นแหละของเราเราเรียกว่าพระเจ้าธรรมิก ร, ราชหรือพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินั้นคนงานจะลึกซึ้งู่หน่อยว่าธรรมิก ร, ราลาศนะคะ ก็หมายความว่ามีทศพิราติธรรมมีจั ก, กรวตรดิวัดบีราชสังหะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะทอดมาจากทศพิรัติธรรมจั ก, กรวรรดิวัดสิบสองประการนั้นพิสูจน์ความมีทศพิรัติธรรมของท่านหรือว่าราชสังฆะที่จ ร, ริงมันก็คือทศพิราติธรรมภาคสนามภาคที่นําไปสู่การใช้งานก็ขยายมาจากคําว่าอวิโรธนะฮะ หมายความว่าใช้ปัญญาเป็นหลักไม่ให้วิปวิปริตผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากธรรมะหรืความยุติธ ร, รมความเป็นธรรมในฐานะของผู้บริหารบ้านเมืองนี่มันเป็นผู้อภิบาลนะยงชอบใจว่าพระมหากษัตริย์ของเราเราเอนว่าอยู่อยู่บนหัวเราตั้งแต่นุ น, นรายการที่สนะนะามมาเลยเนี่ยพอนั่งกล้าวประจอมเกล้าวประจุนจอมกลาว พระจงเก้าก็มีพระปิ่นเก้าอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็พระจุลนจองกล้าวประมงกุฎเก้าพระปกเก้าเนี่ยคือมันอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลใส่ใจสนใยพระไทยเอื้ อ, อทอรห่วงใยต่ออาณาประชาราศฎรแล้วก็นี้ก็คือธรรมาธิปยไทยมันเราดูระบบโครงสร้างเนี่ยมันเป็นอาตาธิพยไทย แต่ในขณะเดียวกันก็มองโลกคือมองสังคมมองอาณาประชารัฐฎรก็เป็นโลกาธิปไตยแล้วก็มีฐานคือธรรมาธิปไตยเพราจริงๆเนี่ยความเข้มข้นของธรรมาธิปไตยเนี่ยจะเป็นตัวหลักมันไม่ใช่ว่าคนมากแล้วดีคนน้อยไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนยคือถ้าเราลองสังเกตว่าบ้านเมืองเรายุคที่เจริญเนี่ยนะยุคที่เจริญยุคที่แก้ปัญหาการจัดปัดเป่าอันตรายต่างๆคนไม่มากอนะ่ะ คนมากแล้ววุ่นคนมากคนมาเมื่อ เ, เสร็จงานไปก่อนตอนทำงานนี่คนต้องไม่มากมันบุ่นวายมันมจุนจ้านผู้กันเก่งนะผู้กันมากแล้วก็เสียเวลาเยอะเราลองสังเกต น, นะลองเช็คประวัติศาสตร์องศวดาต่างๆเหมือนก็ตอนไม่มาในสวนกู้ชาติพระเจ้าตักสินกูชาติเนี่ยคนน้อยกนะู้ได้ แล้วคนส่วนใหญ่ก็ค่อยมางกูนเสกกัอนอยมันเกะ ก, กะบุงวายไปหมดก็ เ, เรสนุนอะไรขวางมือขวางเท้านะฮะมันก็ทําอะไรไม่ถนัดเกะ ก, กะไปหมดใแนวธรรมาที่ปไตยนั้นก็อาจจะใช้โดยปฏิเจกชนก็ได้ถ้าคนเหล่านั้นได้มีคุณธรรมสูงจริงๆเนี่ยคือการทํางานที่จริงมันไม่ต้องการคนมากอะไรเท่าไหร่แต่ว่า พอเราไปเหอแบบฝรั่งเลยวุ่นวุ่นไปหมดเลยเป็นโลกาที่ปไตนะเราจำได้น้อยเป็นโลกาที่ปไตยและกระแสของโลกเนี่ยเราลองสังเกตเอาเลยเอบอตอตั้งตั้งแต่อบอตอมันคุ้มค่าเลยปเปล่าเงินบำรุงท้องถิ่นอะไรเล็ๆกๆน้อยๆก็กลายเป็นเงินเดือนหมดเลยเบี้ยไปซุ้มหมดเลยแล้วเงินก็กลายเป็นเดีเด้ยวแต่เอาไปแจกคนนมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคนที่มันเกิดขึ้นใหม่ด้วยโครงสร้างและการผลิตมันมหาศาลมากๆเลยเลยคิดเป็นตัวเงินเป็นระมาณมาดูเนี่ย แม้แต่เนี่ยอะไรเนี่ยก ต, ต, ตเนี่ยก็เงินจํานวนมหาศาลแล้วถ้าเต็มอัตราเนี่ยมันเงินมันจะเป็นอยู่ในกลุ่มบุคคลเหล่านี้ยมากมายมหาศาลเราถือว่าเนี้่เป็นประชาธิปไตยแหละจริงๆก็คือโลกาธิปตไตยมันเป็นกระแสเฉยๆแต่ทำมาธิปไตยเนี่ยมันไม่ต้องมีใครมากคนไม่จําเป็นจะต้องมากแต่ว่าบริหารจัดการให้ดีก็แล้วกันมันยขยับคยื่อนเคลื่อนไหวไปได้ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอัตตาทิฏฐไตยก็ได้แต่ว่ามีธรรมะเป็นฐานมันมันแยกเดี่ยวไม่ได้หรอกที่จริงทั้งสามอย่างเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันสมมติว่าอย่างนี้ยสมมติเรารักษาศีเนี่ยคือการสมรวมระวังในศีรษะใถึงจุดหนึ่งเนี่ยไปละเมื่อสิทธิในชีวิตคนอื่นถึงผิดเสียงข้อที่หนึ่งแต่าบางทีเนี่ยมันเราอยู่ในท่ามกลางคนอื่นคือคนอื่นก็อยู่ด้วยนะะ ที่อาบวที่เราใช้เนี่ยหรือการจะนั่งอย่างไงจะยืนอย่างไงจะรืตลอดทั้งจะพูดอย่างไงเนี่ยเรียกว่าเหมาะสมเนี่ยมันมเรื่องผิดศีลไม่ผิดศีลเนอะกที่จริงนั่งยังไงมันก็ไม่ผิดศีลนะตลอดชาวบ้านอ่นะนะเพียงแต่ว่าความเหมาะความควรมันไปเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับปริษัท ย, ยุตตาอะไรต่างๆเข้ามาองค์ประกอบอีกเป็นอันมาก ตรงนี้จึงปรากฏทุกแห่งไม่ว่าจะศีลหรือว่าต่อไปในเรื่องต่อไปก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือผู้อธิปไตยเนี่ยเป็นสูตรหลักเป็นสูตรหลักแล้วก็ใช้ทุกจุดนะทุก ท, ทุกจุดปรสังคมประลบดีเนี่ยได้ทั้งหมดทําให้ดีได้ทั้งหมดเหมือนกันนะแต่เห็นว่าแนวตรงนี้แนวแนวอย่างหนึ่งที่เราพูดกันมากเนี่ยคืออัตราธิปไตยก็แบบผาดเกิดการโลกาธิปไตยก็คือใช้กระแสสังคมธรรมะธิปไตยก็ใช้ธรรมะ ธรรมะนี่มันพูดยากคือคนถ้าไม่เข้าถึงสาระธรรมะของธรรมะเพราะมนุษย์เนี่ยมันจะคิดเข้าหาตัวเองก่อนคือทําอะไรก็ตามธรรมนต้องคิดว่าเราจะได้อะไรได้เป็นอะไรในตรงนั้นแต่ว่าเคยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ค่อนข้างสําคัญเช่นเกี่ยวกับหลักสูตรเกี่ยว ก, กับกฎหมายเกี่ยวกับอะไรในพระรบัญญัติอะไรต่างๆเนี่ยคือบางทีเราก็หน่ายนะ เราเห็นเขายกร่างมาเนี่ยมันวางแผนเพื่อจะเป็นอนะ่ะคล้ายๆกับวางสเปกเอาไว้คือดูคนออกนะดูคนออกแม้แต่รัฐมนูลฉบบนี้มีตั้งหลายจุดที่เราดูคนออกไหมันคล้ายๆวางสเปกเอาไว้อันนี้ก็คือคืออะไรคือว่ามันก็คิดแบบกระแสแล้วมนุษย์เดอมมันก็อดจะห่วงตัวเองไม่ได้หาทางให้สนามให้ตัวเองลงลงให้ได้แหละ อย่างน้อยก็ น, นึกพวกเราเพื่อนเราแะไรต่าเนียก็ได้วางสเปกทั้งหลายเนี่ยบางทีมันก็เห็นกันได้คืออา่านเนี่ยอา่านใครจะมาดัด บ, บางทีเราเห็นคนเลยว่าใครจะมาเป็นคนบริหารเนี่ยถ้าเราอยู่ในวงการตัวนี้นะนะโดยเฉพาะในวงการสมาชิกสภาบุตรนราษฎรเนี่ยเขาจะดูเกมกันออกตรงนี้นั่นคือประชาธิปไตยแต่ปัญหาว่ายุติธรรมหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายนั้นมันใช้บังคับแก่ประชาชนทั่วไป แล้ว่ากลายเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็กลายเป็นอภิสิทธิชนเมื่อแกถามว่าเราอาจจะด่าเขาในรูปอะไรล่ะเอสักดินาแหละชนชัางสักดินาเล ย, ชชเลยแต่ลโบราณี่ก็ที่เขาด่ากันอแนวนี้มันก็คือแนวนั้นเนี่ย น, นะมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนชื่อตรงนี้จึงจึง เป็นเกตเป็นมาดในการจับได้แต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามให้ทางก็ได้รักษาศีลก็ได้เรียนหนังสือก็ได้นะเห็นไหมแม้แต่เรียนหนังสือเนี่ยมันก็มีกระแสะของอัตตาที่ปัจจัยของโลกาที่ปัจจัยของธรรมะที่ปัจจัยธรรมะที่ปไตยนั้นเขาไม่ได้สนใจนะเขาสนใจว่าหนังสือเนี่ยสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยมันมันสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาได้หรือไม่ใช้ความสุขความสงบแี่เขาได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อจะเป็นอะไร เรียนที่จะอยู่อย่างไรของชีวิตยอย่างไรผลการศึกษาของแบบพุทธเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มองว่าต่อไปเราจะเป็นอะไรแต่คิดว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะไม่สร้างปัญหาแก่ตนเองไม่สร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นแล้วก็ในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเนี่ยทำอย่างไรว่าเราอาศัยทุกส่วนของสังคมเนี่ยสังคมในอาศัยเราบ้าง ถึงจุดหนึ่งก็ทำยังไงว่าจะใช้ศักยภาพในด้านต่างๆกันทาประโยชน์แก่นตนเองทําประโยชน์แก่บุคคลอื่นแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆใน ต, ตัวนี้มันก็เป็นทั้งศีลเป็นทางธรรมก็หมายความว่ามีธรรมมาที่ปไตยเนี่ยเป็นพื้นฐานเคยมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอาตมาเองยังรู้สึกว่าเป็นหนี้ท่านอยู่แต่ยังหาจังหวะดีๆไม่ได้นะคือไม่รู้จักกับท่าน ชื่อนายแพทย์บุญเกิดธนชาตรู้สึกท่านเขียนหนังสือรวบรวมบทธรรมไว้สองเล่มแล้วท่านก็ น, นึกอะไรไม่ท่าบังงเงินจำนวนหนึ่งมาให้อัตมาบอกว่าให้ท่านช่วยเขียนหนังสือเรื่องประชาริษฎีปไตยที่มีกะตัญญูกัตวิถีเป็นฐานมาก็เห็นด้วยนะ แต่ว่าจะหาโอกาสจังหวะดีๆเรียบเปี่ยงขึ้นมาก็เล่มโอหงไม่โตเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรานึกว่าคนเนี่ยมันจะมองวิชาการสบปใหม่แต่ก็ไปนึกว่าประชาธิปไตยสุดยอดเนี่ยมันอยู่ที่มิติบัญญัติก็ดีบริหารก็ดีตุลาการก็ดีถ้าเราเอาพระธรรมวินัยเนี่ยตูพระธรรมวินัยของพระเจ้านี่จะเห็นว่ามันมีลักษณะของวินัยเนี่ยมันจะมีลักษณะของประชาธิปไตยค่อนข้างสูง สูงกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะมีธรรมอาธิปไตยเป็นฐานแล้วก็ถ้ากฎเกณฑ์ในแง่ของธรรมานี่เป็นธรรมอาธิตย์ไตแท้ๆจะเรื่องที่น่าเสียดายว่าเราไปก็ปี้มาจากฝรั่งแต่ที่จะดูพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่เราดพูพระเจ้า ว, วางอย่างไงล่ะนิติบัญญัติได้วางอย่างไงบริหารได้วางอย่างไงตุลาการได้วางอย่างไงและยังนึกแม้แต่พระราชบัญญัติเนี่ยที่จริงอัตมาเองนะคือเราไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ ที่อบอกว่าเลิกให้หมดเลยพระราชบัญญัติเนี่ยยกเลิกเลอที่ไม่หมดแล้วก็จัดระบบเอาไปทำบินัยในโค้ดมันเลยที่พระเจ้าวางไว้ยังไงมาเรียนเป็นระบบเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติเป็นภารกิจต่างๆในการศึกษาในการเผยแผ่ในการสาธานุปการในการปกครองในการศึกษาสงเคร า, า, านะห์ษาแล้วก็จัดไปเถอะมีแล้วทั้งหมดในพระเจ้าบิดา เพราะอรเพราะนั้นคือมันเป็นผลจากสัพพัญยุตยานะพระราจ บ, บัญญอยาบทั้งคนมีกิเลสแต่นั้นยบร่างกันมาทำไมไม่เอาขอมคนที่เข้าถึงความบริสุทธิ์มดจดมาเป็นมาศ ล, ล่ะเราเข้าไม่ถึงหรอกสมบูรณ์ น, นะฮนะแต่ว่ามันก็มีพัฒนาการด้า น, นต่างๆเพื่อพูดมากยิ่งขึ้นแต่เรื่องที่น่าเสียดายว่า แม้แต่วงการสงเองเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่า้อมเอียงไปทางให้ความสําคัญแก่พระเจบัญญัติเนี่ยค่อนข้างมากนะแล้วก็น่าเป็นห่วงว่าต่อไปเนี่ยพระธรรมวินัยจะชิดซ้ายเอานะดีไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมวินัยไม่ได้ออกมาเป็นรูปวัตถุแต่ว่าพระเจริญัติเนี่ยออกมาเป็นรูปวัตถุบันได้ตําแหน่งเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเป็นอาจารยนะห่างกันเพลินไปบางแกนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ซึ่งก็หมายความว่าต่อไปในเนื้อหาสาระของความเป็นพุทธอาจจะจางคลายลงไปก็ได้จะทำยังไงว่าสังคมพุทธหยุดคิดในเรื่องนี้กันสักทีแล้วก็มาพิจารณาทบทวนกันสักทีเพราะว่าไม่มีบ้านเมืองไหนะนะที่เขาเอากฎหมาย ม, มาใหญ่กว่าประํรรมวิได้เนี่ยแล้าก็เอามามีอำนาจอิทธิพลเยอะแล้วในที่สุดเนี่ย พระทรรมในจะย้อนความต้องขัรลงไปซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นความเสื่อมของศาสนาอีกระดับหนึ่งก็ได้ทั้งฟังทั้งหลายแต่ร่วมประโพทิญาณในวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็เนแบบนี้ที่สุดนี้ขอความจะเริยนงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านทุกฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี